วิธีสวดสมรุปาตและกรรมวาจาสวดสมรุปาตภิกษุทั้งหลายก็ทรงพึงสวดสมรุปาตภิกษุนี้นั้นอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่า712แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้โกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่า ดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิกขาสมนัหญิงจะมีแต่สมณักักยัติดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมนะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัดระวังไฟการศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสำนัหญิงเหล่านั้นเธอไม่ยอมสละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงสวดสมรภาส ภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้กโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิกขาสมณหญิงจะมีแต่สมณีศักยธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณหญิงเหล่าอื่นผู้มีความละอายมีความระมัดระวังใฝการศึกษาก็ยังมีอยู่ เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมหญิงเหล่านั้นเธอไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสมราพาทภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมราพาทภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้ น, แ ม, แ, มนแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม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 ที่ต้องเพราะยะติทุลใจที่ต้องเพราะกรคำวาจาสองครั้งย่อมระงับไปคําว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อ น, อนคําว่ายาวัตติยกะคือต้องอาบัตเพราะสวดสมรภัสจบสามครั้งไม่ใช่ต้องอาบัตพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุคําว่านิสรณียะได้แก่ทําให้ถูกขับออกจากหมู่ คำว่าสังคาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นทรงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาทิเศษ